ท่านภาวนานะสุดท้ายมันมาแตกหักตรงรูปนามเป็นไตรลักษณ์นี่แหละบางคนท่านก็สอนให้แยกรูปนามออกไปเป็นแบบขันห้ามีรูปหนึ่งนามสี่บางคนท่านสอนอรยตนรหกก็มีรูปห้าอย่างมีนามหนึ่งอย่าง บางคนท่านสอนธาตุสิปดธาตุสิปดก็มีตาหูจมูกลิ้นใจนี่เป็นรูปใจเป็นน้ำรูปเสียงกลิ่นรสพุทระเป็นรูปธรรมารมณ์เป็นน้ำความรับรู้คือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นใ จ, ใจนี่อีกหอย่างเป็นน้ำธาตุสิบปดเมีรูปจำนวนมากมีน้ำจำนวนมาก เหมาะกับพวกที่ชอบเรียนเยอะๆอยากรู้เยอะๆถ้าพวกถนัดดูนมามธรรมก็เรียนเรื่องขัน5มีรูปหนึ่งนามสี่นามสีก็คือเวทนาความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณคือ จ, จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้านัดดูกายาสอนเรื่องยตนาหก ตาหูจมูกลิ้นกานี่เป็นเรื่องของร่างกายเป็นส่วนของรูปธรรม ท, ทั้งหมดใจเป็นอันเดียวเป็นนมานมธรรมนามธรรมรู้อะไรรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกามันทำงานอยู่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต้องมีใจเป็นคนดูนั้นแยกรูปแยกนามถนัดแบบไหนก็แยกไปเถอะถ้ามันแยกออกไปเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นคนดูส่วนหนึ่งเป็นผู้แสดง แยกได้แค่สองอย่างเนี่ยตัวขันไอ้ตัวสิ่งที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเรามันจะแตกออกคณะคอร์คังน้องหนูขณ ะ, ข ะ, นนนขณะมันแตกมันจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีอย่างแค่เราเห็นว่าร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเนีย่ยทีนี้ก็เรียกว่าแตกเหมือนกันก็แตกออกไปกายกับใจแยกออกจากกัน ก็จะเห็นว่าร่างกายมันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอกจิตเป็นคนดูนี่แรกๆก็ยังไม่ชํานาญก็เห็นว่าจิตเป็นเราต่อไปก็เห็นว่าจิตนี้ก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไหลเดี๋ยวเพ่งอะไรสารพัดจะเป็นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถนัดดูกายก็ดูถนัดดูจิตก็ดูถนัดดูกายก็มีจิตเป็นคนดูนะถนัดดูจิตก็มีจิตเป็นคนดู อย่างน้อยก้มีตัวหนึ่งดูตัวหนึ่งแสดงแค่นี้ก็พอละไม่ต้องแยกทุกๆตัวหรอกที่จริงแยกอย่างอื่นยังได้อีกนะไม่ใช่แค่มีขันาธาญาติณะยังแยกเป็นอินรีอินสียี่2ตัวเยอะเลยคำนี้ส่วนใหญ่เป็นนมามธรรมนี่พวกชอบรู้นมามธรรมเยอะๆก็เรียนเรื่อง อ, อินสีพวกต้องการปัญญามากๆถนัดในการเจริญปัญญามาก ชอบรู้เยอะลึกซึ้งก็ไปเรียนเรื่องปฏิจจสุบัติในปฏิจจสุบัติก็สอนให้เห็นนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาสอนให้เห็นสิ่งเดียวกันนะเดี๋ยวเราดูขันห้าก็เพื่อให้เห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาดูอเยตนะหกก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูธาตุสิบปดอินสี่ยี่สิบสองเนดูปฏิจจสุบัติเห็นแต่รูปนามไม่ใช่คนสัตว์เราเขา ดูไปเพื่อล้างความเห็นผิดว่า ม, วมีตัวมีตนมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาพหมดความเห็นผิดนั้นได้พระโสดาบันแล้วพระณนิลึกซึ้งขึ้นไปก็เห็นขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์บางคนเห็นขันห้าทุกข์ในมุมของความไม่เที่ยงขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันไม่เที่ยงบางคนเห็นขันห้าในมุมที่มันถูกบีบคั้นก็ <c oughs> เห็นว่ามันเป็นทุกข์ บางคนเห็นกันห้าว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับควบคุมไม่ได้นี่ก็เป็นทุกข์อีกแบบมุมของความทุกข์ที่ใจแต่ละคนมันไปเห็นนะเห็นแล้วยอมสิโรราบนะยอมจำนนรู้ความจริงแล้วขันเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าขันเป็นทุกข์ได้ครบถ้วนนะก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เือนในอนัตตลักษณสสูตรนะท่านแสดงให้พระโสดาบันห้าองค์ฟัง โสดาห้าองค์คือปัญจวัคคีย์ได้โสดามาจากฟังธรรมจักแล้วฟังได้วันละองค์นะฟังไปว่าละองวันหนึ่งองค์ได้องค์งนหนึ่งวันองค์ได้องค์หนึ่งพระอาสิชีต้งฟังตั้งห้ารอบนะถึงได้โสดาขนาดพระอาสชีฟังตั้งห้าครั้งแล้วเราจะห้าพันครั้งรือเปล่เทียบกับท่านไม่ได้นะ่บเรามีท่านเยอะฉะนนท่านต้องฟังตั้งห้ารอบของเราก็ฟังแล้วฟังอีก บารมีสู้กันไม่ได้พอได้สโสดา ค, ครบทุกอวนแะล้วท่านถึงแสดงอนัตตลกนัสสุลจบพระสูตรนี้ก็ได้พระอรหันต์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ท่าลงท้ายตรงที่ว่าวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา ท่านถามว่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นเราไหมคือเห็นแจ้งเลยว่ามันเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นตัวทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่ยึดถือเลยหมดความยึดถือนะขาดสะบั้นลงตรงนั้นเองลำพังเห็นรูปรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ สิ่งเป็นทุกข์ควรเห็นว่าเป็นเราไม่ไม่ควรยังไม่จบเวทนาความสุขทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่านี่ยังไม่บรรลุสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นเราไหมควรยึดถือไหมไม่ควรก็ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ พระเจ้าก็สอนต่อขันตัวสุดท้ายเลยวิญญาณวิญญาณก็คือจิตนี่เองจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบราารลุพระอรหันต์กันหมดความยึดถือขันห้าท่านเรียงไว้ดีนะท่านไม่ได้เรียงตามใจชอบทรงเดชถ้าเรียงตามความสําคัญกนะ็ต้องเอาจิตขึ้นก่อนเอาวิญญาณขึ้นก่อน ท, ทําไมท่านไล่มาแต่รูปมาจบลงที่วิญญาณมาจบลงที่จิตเราเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวทุกข์แล้วก็สลัดคืนจิตให้ลงก็จบกันตรงนั้นตรงที่คืนจิตให้ลบไปนี่ธรรมะนะอ่านแล้วสะใจมาอายตนาหกตาหูจมูกลิ้นกายก็มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันเป็นไฟมันแผดเผา ทำให้ราอร้อนไม่ใช่ของดีของพิเศษลงท้ายลงที่ใจอีกแหละลงท้ายก็ลงมาที่ใจยึดใจไว้ดวงเดียวยึดจิตไว้ดวงเดียวก็สร้างโลกสร้างขันขึ้นมาได้หมดปล่อยวางจิตได้สักดวงเดียวนะก็ทิ้งขันทั้งหมดนะจิตถึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมทั้งปวงอาศัยจิตดวงเดียวก็สร้างนารกขึ้นมาได้ลนะ้ อาศัยจิตดวงเดียวนั้นก็สร้างเปรตสร้างอสุรกายขึ้นมาได้สร้างเทวดาสร้างมนุษย์สร้างพรุมนะหรืออาศัยจิตนี่เองบรรลุมรรคผลนันจิตนะัเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานได้ทำทั้งหลายทั้งปวงทำอื่นๆเนี่เป็นบริวารเป็นลูกน้องมันเป็นเครื่องมือร่างกายเป็นเครื่องมือของจิตไหม จิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวสั่งให้เคลื่อนทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้สั่งให้ไปกวาดวัดก็ได้ไปล่างซ่วมสาธารณะก็ได้นะสั่งให้ไปขโมยเขาไปฆ่าเขาก็ได้มันเป็นเครื่องมือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไอ้นี่กับเป็นตัวที่หลอกลวงนะหลอกลวงจิตแค่ดินเราเราจิตนึกว่าแน่เหรอ จิตปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสแหลกกลับมาครอบงมจิตเอาตัวไม่รอดนะก็พัฒนาใหม่ไม่ปล่อยให้มันปรุงชั่วชั่วไม่เอาให้มันปรุงดีไว้ก่อนนะสุดท้ายจิตก็ฉลาดขึ้นมาดีเต็มที่ดีเต็มที่ก็ปล่อยดีทิ้งไปนะพ้นจากดีจัดชั่วไปมีความสุขมากนะมีความสุขที่สุดเลยความสุขในโลก พระอรหันต์ท่นานก็รู้จักนะหลายองค์ท่านมีความสุขอยู่ในโลกอย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็มีความสุขในโลกนีเจ้าชายอานน์เจ้าชายอนุรุตอะไรเงี้ยมีความสุขอยู่ในโลกพระกัปปินะเขเป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, นท่านเหล่านี้มีความสุขในทางโลกแต่บุญบารมีท่านแก่กล้าท่านทิ้งความสุขอันนั้ น, นมาพบความสุข ของพรนิพพานเพราะว่าความสุขของในโลกมันเล็กนิดเดียวเป็นสุขที่เจือทุกขไม่ใช่สุขที่แท้ๆอย่างเรามีแฟนสักคนมีความสุขใช่ไหมเราก็เจือทุกเข้ามานะามีภาระอีกเยอะเลยมีแฟนเป็นภาระไหมอย่างน้อยต้องคอยเอาใจใช่ไหมต้องคอยโทรไปหาไม่อยากโทรเลยวันนี้ขี้เกียจอยากโทรไปหาคนอื่นก็ต้องโทรอะไรเงี้ยเป็นภาระ ต้องจำวันเกิดเขาให้ได้ไม่จำผิดวันตายเลยนะถ้าเป็นภรรยาไม่เป็นไรแตนะ่ถ้าเป็นแฟนนีไม่ได้นะเป็นภาระนะมีรถยนต์มีภาระไหมโอภาระเยอะเลยนะภาระเยอะอยมีบ้านมีภาระไหมก่อนหลวงพ่อเป็นโยมเราก็คิดต้องสร้างบ้านต้องมีบ้าน มีบ้านเราได้ซื้อบ้านไว้แล้วเราจะได้อยู่ไปสบายๆตลอดชีวิตแล้วก็พบว่าซื้อบ้านมานะเดี๋ยวก็ซ่อมโน้นเดี๋ยวก็ซ่อมเน้นเดี๋ยวก็ดัดแปลงตรงโน้นตรงนี้ทุกวันมีเรื่องอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวปลวกมาจะทํำยังไงนี่ทําไงปลวกมาจะทํำยังไงดีถือศีลซะด้วยสิ แผ่เมตตาปลวกเอ๋ยเป็นสุขเป็นสุขเถิดปลวกบอกตอนนี้แหละสุขเลยเ <c oughs> นื่อภาระทั้งนั้นนะเภาระทั้งนั้นมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นเพราะฉะนั้นความสุขในโลกนะมันอิงอาศัยคนอื่นเองอาศัยสิ่งอื่นมันก็มีภาระตามมาด้วยคนทั้งหลายแบกภาระอยู่ไม่พ้นจากทุกเนปนักปฏิบัติน่ยมาดูตัดภาระลุงรังทิ้งไป สิ่งที่เป็นภาระ ก, กลายเป็นตัวขันห้าไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่อะไรแล้วไม่ใช่แฟนไม่ใช่ลูกหลานไปเป็นขันห้านี้แหละเป็นตัวเป็นภาระนะก็วางก็รู้ได้แล้วก็วางวางไปก็พ้นภาระพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมีความสุขนะไม่มีสุขอะไรเหมือนเลยเป็นสุขที่ไม่มีภาระสุขในโลกนั้นมีภาระพ่วงมาตลอดเวลาไม่สบายจริง ใครจําวันเกิดพ่อแม่ได้บ้างยกมือซิใครจำวันเกิดแฟนได้บ้างทํามันเหนี่ยมเหนี่ยมด้วยกันยกสั้นๆตอนถามวันเกิดพ่อแม่ยกสูงๆเสริญใจก็จําไม่ได้หรอกพ่อแม่เกิดวันไหนนะเกิดปีไหนก็จาไม่ได้รู้แต่ว่าเกิดมานานแล้วล่ะ รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันเกิดแฟนเนี่ยจาได้วันเกิดลูกๆยังจาได้นะอย่างแม่หลวงพ่ออายุจะเก้าสิบอยู่แล้วนะลูกคนไหนเกิดปีไหนจําได้หมดวันไหนจําได้หมดเลยลูกๆเนี่ยจาไม่ได้ต้องไปดูที่จดไว้ประมาณช่วงนี้แหละอะไรเงี้ยเนี่ยความสุขในโลก รักมันแทบตายเลยมันไม่รักเรามันไปรักคนอื่นรนะักลูกแทบตายเลยลูกไปรักคนอื่นไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะอยู่กับเราคนที่เรารักเราดูแลไม่เต็มทีนะ่ถึงวันหนึ่งก็ไม่อยู่กับเราไม่จากเป็นเขาจากตายนะลูกเราเราเลี้ยงไว้โตขึ้นไปหมดละไปทำงานที่อื่นหมดละธรรมะเท่านั้นแหละอยู่กับเราตลอดนะ ร่างกายนี้ยังไม่ได้อยู่กับเราตลอดเลยเราก็รักมากดูแลร่างกายนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับนะที่นอนไปก็เพื่อให้ร่างกายสบายสุดท้ายมันก็ถรยศนะมันหนีเรายอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยกระทั่งเข้าฌานนั่งเข้าฌานมีความสุขออกจากฌานหรือฌานเสื่อ ม, อมบางคนฌานเสื่อมนะ ถ้าจิตยังติดในกามนี่ฌานเสื่อมง่ายาจิตไม่ติดในในในกามมัฌานไม่ค่อยเสื่อมอยู่ที่ความชํานาญนะว่าซ้อมบ่อยก็ชํานาญไม่ซ้อมก็ไม่ชํานาญแต่ไม่ใช่สมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเพราะนั้นส่งตัวเด่นตัวงอยูไม่ต้องซ้อมแต่ยังฌานสมบัตินี่ถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ชํานาญเป็นของเสื่อมเหมือนกันเป็นของโลกเป็นโลกียะเหมือนกัน เราเป็นที่พึ่งไม่ได้ดูแล้วเป็นคนไม่มีที่พึ่งเนาะคนไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมมีศัพท์เรื่องอนาถาอน า, าถาอนาถาไม่มีที่พึ่ ง, นงนเนี่ยงในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ธรรมะนะเรายังเป็นคนอนาถาอยู่นะเป็นคนไม่มีที่พึ่งถ้าเราได้ธรรมะแล้วเราได้อะไรเป็นที่พึ่งได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เป็นที่พึ่งที่จะพาให้เราพ้นทุกข์เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดตามท่านไปงั้นต้องหันแยกนะอะไรมีคุณค่าที่แท้จริงอะไรเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกโชคครั้งโชคคราวธรรมะ ม, มีคุณค่าแท้จริงอื่นๆนะั้นแค่เครื่องอาศัยอยู่ในโลกโชคครั้งโชคคราวเท่านั้นได้มาก็เจือทุกข์มาด้วยะนี่ไม่พ้น บางคนเขาคิดนะเก็บเงินฝากธนาคารหรือธนาคารเจ๊งนะเก็บทองคนโบราณชอบเก็บทองนะเก็บแล้วไปฝังฝังไว้ได้ยนะพอแกนะไม่รู้มันฝังที่ไหนรู้ว่ามันฝังมีบรรพบบุรหุษหลวงพ่อนะเขามีเงินเยอะทำนานะสร้างนาเยอะได้เงินมาเนี่ยมีแบงค์ เป็นไบลพันธ์อะไรเงี้ยนะสมัยนั้นมันก็มีใบลพันธ์เหมือนกันไม่รู้จะซ่อนที่ไหนโจรมันก็เยอะปล้นไ ด, ได้เอาไปใส่ไว้ในยุ้งข้าวไปซุกไว้ในข้าวสระข้าวเปลือกหละแล้วก็ลืมนะถึงเวลาก็เรียกหลงสีมาขนข้าวเปลือกไป <c oughs> ได้ตังกว่านิดหน่อยนะแล้วก็นึกได้ hey, เงินเราไปซ่อนไปที่ไหนวะ <c oughs> เราซ่อนอยู่ในยุ้งข้าว เนี่ยของโลกโลกนะโรคโรคเจอคนแก่คนหนึ่งเก็บทองไว้เยอะเลยเจะไว้กินตอนแก่พอแก่แล้วคนอื่นเอาไปหมดเลยไม่รู้เรื่องเข้าของปลอมมาใส่ไว้แทนก็มีอยู่กับมันนะอาศัยมันอยู่ก็อยู่กับมันอย่างฉลาดอยู่กับมันยังไม่ทุกข์ก็พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นไป เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงกนระทั่งร่างกายนี้จะแตกดับทุกทรมานนะใจยังไม่กระเพื่อมวันไหวเลยใจห้าวหานด้วยซ้ำไปไม่วันไหวฝึกเอานะฝึกเอาเอากลับบ้านไป